บัตรนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการแสดงธรรมะในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นทรงมีหลักในที่เป็นเป้าหมายและข้อที่ควรกำหนดตลอดตลอดถึงเครื่องมือเครื่องใช้ ในการเจริญสติปัฏฐานซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยลำดับการเจริญสติปัฏฐานนั้นทรงมุ่งที่จะให้ขจัดสิ่งที่เรียกว่าอภิชาและโทมนัตในโลกออกไปโดยใช้คำว่านําออกซึ่งอภิชาและโทมนัตในโลกอภิชานั้นเป็นตัวแทนของกิเลส ส่วนโทมนต์นั้นเป็นตัวแทนของความทุกข์ประจุดเป่งหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาคือการสงบระงับดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลออกไปจนถึงจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานอภิชานั้นเป็นชื่อของกิเลสสายโลภะ ซึ่งตามปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจของบุคคลให้ปรากฏเด่นชัดมากกว่ากิเลสสายอื่นในช่วงของแต่ละวันแต่ถ้าหากว่าเป็นความต้องการความปรารถนาโดยทั่วๆไปอาการก็ไม่รุนแรงอะไรเพราะโลภะนั้นมีโทษน้อยแต่ว่าคลายได้ช้า ส่วนลักษณะของอภิชาแปลว่าความเพ่งแรงโลภอยากได้ในสิ่งต่างๆอาการอย่างนี้ภาษาไทยเรามีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่เรียกว่าอยากได้จนตาลุกหรือเห็นแล้วตาลุกซึ่งหมายความว่าแรงกระตุ้นของความโลภที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล น, นั้นแรงมาก จนแสดงออกมาให้เห็นทางแววตาของบุคคลผู้นั้นลักษณะเช่นนี้เองเรียกว่าอภิชาคือความโลภจัดเห็นอะไรก็ต้องการอยากได้ไปเสียทั้งหมดถ้าหากว่าสภาพจิตของบุคคลเป็นเช่นนี้แล้วก็จะต้องสายไปในอารมณ์ซึ่งมีอยู่เป็นอันมากในโลกนี้ ความสงบแห่งจิตใจก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่ทรงอุปมากิเลสสายนี้ไว้ว่าเป็นเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินของบุคคลอื่นซึ่งจะต้องตามชดใช้กันตลอดไปในทํานองทรงกันข้ามถ้าหากว่าสามารถสงบระงับดับกิเลสสายนี้ลงไปได้ mm hmm. ก็ชื่อว่าเป็นคนพ้นจากหนี้ เป็นคนไม่มีหนี้มีสินมีความปร่งเบาสบายปรากฏเกิดขึ้นในโลกประการการนำออกซึ่งอภิชาจึงถือว่าเป็นอุปการธรรมอันสำคัญที่จะนำความสงบเย็นมาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติการนำอภิชาออกไปจากจิตที่ทรงใช้เป็นรูปภาษาบาลีว่า วินัยะโลกเกอภิชาโดมนัสสังนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกให้ผู้ปฏิบัติทราบว่าอภิชานั้นเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่เป็นตัวจิตแต่ว่าแปลกปลอมเข้ามาผสมปรุงแต่งจิตก็คล้ายๆกับคนที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ภายในบ้านเมื่อไม่ต้องการก็นำออกไปจากบ้านได้หรือภูนละองทุลีที่ เข้ามาภายในบ้านไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านแต่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเจ้าของบ้านก็ปัดกวาดสิ่งเหล่านี้ทิ้งออกไปได้ลักษณะของกิเลสก็เป็นเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นตัวจิตแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาปรุงแต่งจิตโดยอาศัยปัจจัยสองฝ่ายอย่างที่เคยกล่าวมาเสมอว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะวาความโลภในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นถึงแม้ว่าภาพที่บุคคลเห็นเสียงที่บุคคลได้ยินกลิ่นที่บุคคลได้สูดดมรสที่บุคคลได้ดื่มเย็นร้อนอ่อนแข็งที่บุคคลได้สัมผัสถูกต้องจะเป็นอันเดียวกันก็ตามแต่ว่าการแสดงความรู้สึก ต่ออารมณ์ทั้ง5ประการนั้นของบุคคลไม่เหมือนกันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางใจที่เป็นภายในของบุคคลเป็นประการสําคัญถ้าหากว่าบุคคลเกิดไปกําหนดหมายรูปเสียงกลิ่นรสผลสภาพเหล่านั้นไว้ในฐานะหน้าใคร่หน้าปรารถนาะหน้าพอใจแล้วมีความสึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นอโดยบ่อย โดยกําหนดเงื่อนไขาตายตัวลงไปว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอย่างที่ทรงใช้คําว่าสุภสัญญาคือกําหนดว่าสวยงามว่าดีเป็นต้นทุกครั้งที่จิตคิดกําหนดนั้นเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสให้สูงขึ้นเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนกับการฟังการอ่านตํำรับตําราทางหลายนั่นเอง ทุกครั้งที่อ่านทุกครั้งที่ฟังทุกครั้งที่พินิษพิจารณาจะก่อให้เกิดปริมาณของความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ในเรื่องเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเรื่องกิเลสก็มีลักษณะเช่นนั้นทุกครั้งที่จิตตรึกนึกทุกครั้งที่จิตกำหนดหมาย ทุกครั้งที่จิตถูกกิเลสเหล่านั้นครอบกัก็จะมีการปรุงคิดมีการคิดปรุงไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นปริมาณของกิเลสก็จะสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายใดก็ตามเมื่อปริมาณสูงขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเกิดขึ้นครอบงามใจและถ้าปริมาณสูงขึ้นอีกก็จะออกมาในรูปของอาการทางกายทางวิชา ที่เป็นไปในลักษณะทุจริตการสะสมกุศลและอกุศลของบุคคลนั้นเปรียบได้กับการเก็บการสะสมสิ่งของลงในภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่ใส่สิ่งของลงไปปริมาณของสิ่งเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็จะเต็มแต่ถ้ายังขืนใส่ลงไปต่อมาก็จะล้นออกมาภายนอกเรื่องส่วนที่เป็นนามธรรม กับส่วนที่เป็นรูปธรรมนั้นบุคคลอาจกำหนดพินิษพิจารณาให้เห็นความเหมือนกันบางนัยยะได้อย่างนี้การที่จะนำออกซึ่งอภิชานั้นต้องอาศัยการกำหนดการพินิษพิจารณาในหลักของสติปัฏฐานทั้งสีประการซึ่งมีรายละเอียดดังจะได้แสดงไปโดยดํำดับแต่สำหรับในที่นี้นั้น จะได้นำหลักธรรมโดยนัยหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ให้บุคคลกำหนดใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการลดปริมาณของอภิชาคือความเพ่งเลงโลภอยากได้ไม่ให้สูงเกินไปหลักการเหล่านี้เป็นชั้นของการพินิษพิจรารณาซึ่งถือว่าเป็นอุปการธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง การดํารงชีวิตของบุคคลไม่ว่าในส่วนของการกระทําการพูดหรือแม้แต่ความตึกนึกก็ตามการพินิษพิจารณาเสียก่อนเป็นธรรมะที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าใคร้ครวญก่อนแล้วจึงทําใคร้ครวญก่อนแล้วจึงพูดใคร้ครวญก่อนแล้วจึงคิดเป็นความประเสริฐสุดสําหรับผู้ดํารงชีวิตทั้งหลาย แล้หลักที่จะต้องพิจารณาเพื่อไม่ให้ปริมาณของอภิชาเพิ่มขึ้นภายในจิตนั้นทรงแสดงในรูปของเก้าอี้นิรภัยคือจะป้องกันบุคคลไว้ด้วยพนักถึงสี่ด้านด้วยกันซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเก้าอี้ที่บุคคลนั่งแล้วก็ให้เกิดเป็นนิรภัยคือไม่มีภัยนั้นจะต้องมี สิ่งที่ป้องกันบุคคลไว้ได้ทั้งสีด้านแม้ด้านหน้าจะไม่เป็นพนักแต่ก็มีสายนิรภัยคาดเอาไว้การปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาทรงแสดงไว้หมวดหนึ่งในรูปนี้คือให้บุคคลกำหนดพินิจพิจารณาเสียก่อนในการบริโภคปัจจัยทั้งสีประการซึ่งถือว่าเป็นตัวหลัก ในการดำรงชีวิตและเป็นตัวสร้างปัญหาอย่างสูงสุดในการดำรงชีวิตของบุคคลทำไมจึงเป็นเช่นนั้นตัวที่เป็นปัญหาจริงจริงนั้นคือความอยากที่เกิดไปซึ่งบาลีใช้คำว่าอภิชานั่นเองจนอยากได้อาหารที่เกินไปอยากได้ที่อยู่อาศัยที่เกินไปอยากได้เครื่องนุ่งห่มที่เกินไปส่วนยารักษาโรคนั้น อยากได้เกินไปไม่ค่อยมีตัวการสาคัญจึงอยู่ที่สามสิ่งเหล่านี้แต่ว่าจะยังไงก็ตามในชั้นของการพินิษพิจารณานั้นทรงสอนให้พิจารณาถึงตัววัตถุประสงค์ในการบริโภคปัจจัยสี่และตัวลักษณะของปัจจัยสี่เหล่านั้นตลอดถึงประโยชน์ที่ตนจะพึงได้จากการบริโภคปัจจัยสี ลักษณะปัจจัย4ี่ก็เป็นพวกรูปธรรมที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยบางอย่างมีความปฏิกูลน่าเกลียดด้วยประการต่างๆที่เห็นได้ชัดคืออาหารแต่วัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารนั้นจำเป็นจะต้องมีดังนั้นจึงทรงสอนให้กำหนดถึงวัตถุประสงค์ว่าอยู่ที่อะไรเช่นการบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อกระจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ ในร่างกายมีกำลังเจริญเติบโตได้นี่คือตัววัตถุประสงค์บริโภคอาหารอะไรแล้วสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้งสามประการก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารนั้นเมื่อบุคคลกำหนดวัตถุประสงค์เพ่งเลงไปที่ผลประโยชน์และลักษณะของอาหารอย่างนี้ก็จะช่วยบรรเทาความอยากในอาหารที่เกินจาเป็นออกไปได้ ปริมาณของกิเลส ท, ที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารก็จะลดลงในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องนุ่งห่มก็คือป้องกันหนาวร้อนเหลือบจุงลมแดดและปกปิดอวั ย, ยวะที่ควรแก่การปกปิดซึ่งถ้าหากว่าเครื่องนุ่งห่มอันใดที่สำเร็จประโยชน์เหล่านี้แล้วขอเพียงแต่ให้สะอาดเท่านั้นเอง ไม่จำเป็นจะต้องสวยงามอะไรก็ชื่อว่าสมเอจประโยชน์ได้เมื่อคิดได้เช่นนี้ก็จะลดปริมาณความต้องการในเรื่องนุ่งห่มลงไปในเรื่องที่อยู่อาศัยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือป้องกันหนาวหนาวร้อนเลืบยุงลมแดดรักษาทรัพย์สมบัติอันตรายจากบุ ค, คิลภายนอกสะมาให้ร่างกายได้พักผ่อนหย่อนใจอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวโดยปกติสุขเมื่อสมเ็ตประโยชน์ ก็ยุติในการสายหาอสนาสนะหรือที่อยู่อาศัยที่เกินไปเรื่องยารักษาโรคก็ให้พิจารณาโดยทานองเดียวกันคือเพื่อกำจัดโรคถ้าไม่มีโรคก็ไม่ต้องมีแล้วความทะเยอทะยานอยากได้ในปัจจัยสี่ชนิดที่เป็นอภิชาก็จะบันเทาลงได้ทั้งหมดเรื่องบางเรื่องนั้น ทรงสอนให้บุคคลกำหนดปินิพจนาแล้วละเวน้นการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างความคิดบางอย่างเพิ่มปริมาณของกิเลสให้สูงขึ้นเช่นว่าพูดแล้วต้องเถียงกันกิเลสมันสูงขึ้นดังนั้นจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าบุคคลไม่ควรพูดเรื่องที่จะต้องเถียงกันเพราะถ้าเถียงกันแล้วอาการความไม่สํารวมระวังก็จะปรากฏขึ้น การถกเถียงกันเพื่อเอาชนะค้าขายกันก็จะติดตามมาจิตก็จะห่างออกไปจากสมาธิเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นว่ามีเขาจะเพิ่มอกุศลก็งดเดวความคิดก็ทํานองเดียวกันความคิดบางอย่างเป็นการเพิ่มอกุศลขึ้นก็หยุดคิดเรื่องเหล่านั้น ปริมาณของอากุศนก็หยุดความเจริญเติบโตลงไปในการกระทาก็เหมือนกันทรงสอนให้บุคคลตรวจสอบการกระทาว่าการกระทาบนรดที่เพิ่มอากุศนเพิ่มกิเลสเพิ่มอรรคชาให้สูงขึ้นก็งดเว้นการกระทำเหล่านั้นแล้วมาทาในธรรมนองที่ตรงกันข้าม คือการกระทําคําพูดและความคิดอันใดที่เพิ่มปริมาณของกุศลความดีให้สูงขึ้นก็รีบเร่งกระทําสิ่งเหล่านั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเมื่อบุคคลได้ละเว้นในฝ่ายที่เป็นอกุศลและเพียรพยายามสร้างฝ่ายที่เป็นกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตเช่นนี้อกุศลก็หยุดเจริญ แต่กุศลจะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตเมื่อเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นอกุศลก็จะน้อยลงลงไปแล้วในที่สุดจิตก็จะเข้าสู่ความสงบ โ, โดยลำดับการขจัดบาปขจัดอกุศลในลักษณะนี้ก็เปรียบเหมือนการที่บุคคลต้องการนำนำ้าซึ่งสกประปกภ า, ายในบ่อรหรือภ า, ายในสระออกไป ก็อาจจะทำได้สองวิธีวิธีแรกคือสูบน้าสกปรกออกซะก่อนแล้วก็นำที่สะอาดใส่เข้าไปนำน้ำที่สะอาดใส่เข้าไปบ่อฤๅษานั้นก็จะเต็มไปด้วยน้ำที่สะอาดนั้นเป็นวิธีหนึ่งซึ่งทรงสอนในรูปของการละและการภาวนาอีกประการหนึ่งนั้นคือนำน้ำที่สะอาดใส่เข้าไป ให้มีปริมาณท่วมทนน้ำที่โส ก, กรปรุกน้ำที่สะอาดนั่นเองจะค่อยๆสลายความขุ่นข้นของน้ำที่ส ก, กรปรกให้เจือจางลงไปจนกลายเป็นน้ำที่สะอาดที่ทรงใช้คำว่าภาวนาคือสร้างความดีขึ้นไปเรื่อยๆและตัวความดีนั้นจะทำหน้าที่ขจัดความไม่ดีเองเหมือนกระจุดไฟขึ้นให้ขจัดความมืดชนนอีกประการหนึ่ง มีการกระตุ้นมีการเร่งเร้าจากปัจจัยภายนอกเป็นอันมากที่ก่อให้เกิดความอยากได้สายไปในอารมณ์เหล่านั้นจนไม่อาจที่จะควบคุมไปได้ยิ่งในสภาพปัจจุบันนี้มีการโฆษณาเชิญชวนชักชวนเร่งเร้ากระตุ้นด้วยประการต่างๆเพื่อซื้อหาในสิ่งที่ เขาต้องพยายามชี้นำให้เห็นว่ามีความจําเป็นขาดไม่ได้มีคุณค่าสูงเป็นต้นแต่ถ้าใจของบุคคลเกิดไปยอมรับเกิดไปกำหนดหมายได้เห็นคล้อยตามที่เขาโฆษณาไวจิตก็จะไปตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นตามที่เขาบอกให้คิดตามที่เขาบอกให้กำหนดโอกาสหนึ่งจะต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อเป็นของของตน โบราณท่านสอนเอาไว้ว่าบุคคลสี่ประเภทนั้นไม่ควรเชื่อถือและในสประเภทนั้นได้แก่พ่อค้าที่โฆษณาขายสินค้าอยู่พวกหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าเป็นการพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งส่วนคนอื่นนั้นถึงแม้จะได้ประโยชน์มันก็สู้พูดที่โฆษณาสินค้าเหล่านั้นไม่ได้ อารมณ์เหล่านี้เมื่อมากระทบความคิดเห็นคล้อยตามการยอมจำนวนต่อเหตุผลของเขาก็จะเกิดขึ้นท่านจึงสอนให้อดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นคืออย่าไปหวั่นไหวต่ออารมณ์ถ้าหากว่าไม่ฟังจะได้ก็ดีแต่ถ้าฟังก็ถือว่าฟังเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าห้ามใจไว้ไม่อยู่ก็ต้องกําหนดพิจารณาในแนวข้อที่หนึ่ง แล้วในขณะเดียวกันก็ใช้ขันติคือความอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นก็จะเป็นการป้องกันจิตเอาไว้ไม่ให้ปริมาณของกิเลสสายโลภะเป็นต้นบังเกิดขึ้นภายในจิตใจอีกวิธีหนึ่งนั้นทรงสอนให้บรรเทาซึ่งหมายความว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจ ให้ลองสังเกตว่าการใช้ธรรมะทั้ง4ี่ข้อนี้เป็นการใช้คนละปัจจัยคนละกรณีกันในกรณีแรกเกี่ยวกับปัจจัย4นั้นทรงใช้ตั้งแต่การสแสวงหาการบริโภคใช้สอยและการถือครองในเรื่องของกุศลอกุศลมีทางอยู่สองทางเท่านั้นซึ่งทรงชี้ว่าเป็นทางแห่งสุกติและทุกติ คือทางแห่งความสุขและทางแห่งความทุกข์โดยปกติแล้วบุคคลก็ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนสรงชี้สงจำแนกแสดงไว้โดยชัดเจนว่าอะไรเป็นทางแห่งความทุกข์และอะไรเป็นทางแห่งความสุขก็กาหนดพินิพิจารณาแล้วเลือกดำเนินไป<อ>เพื่ออะไรเพื่อผลคือความสุขความสวัสดีแก่ตนเอง ส่วนประการที่สามนั้นเป็นการกระแทกกระทันจากอารมณ์ภายนอกที่บุคคลต้องเกี่ยวข้องต้องได้ยินต้องได้ฟังต้องได้เห็นต้องได้สูดดมต้องได้ลิ้มต้องได้ถูกต้องอยู่เป็นกิจประจำวันจำเป็นจะต้องอาศัยความอดทนเป็นหลักใจเอาไว้เพื่อไม่ให้รู้อำนาจแก่ความอยากที่บังเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นของปัจจัยภายนอก แต่อีกเรื่องหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของความจดหนึกหรือความคิดของบุคคลที่เก็บสะสมเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไว้ภายในใจเช่นว่าเคยกำหนดรูปไว้สวยเสียงไว้ไพเราะกลิ่นว่าหอมรสว่าอร่อยสัมผัสนั้นว่าน่าจับต้องอารมณ์เหล่านั้นถูกเก็บไว้ภายในใจซึ่งอาจจะเห็นได้ว่าใจนั้นจะทาหน้าที่เก็บอารมณ์ พอแกเลิกใส่ใจอารมณ์ภายนอกแกก็ต้องคิดเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตลักษณะเหล่านี้เหมือนกับวานอนที่กินอาหารเข้าไปแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ที่กับคุ้งแก้มของแกพออาหารภายนอกหมดแกก็เอาอาหารเหล่านั้นมากินใจมีลักษณะเคี้ยวกินอารมณ์อย่างนี้จะไม่หยุดคิดถึงอารมณ์ต่าง แลอารมณ์ที่จิตจะตกไปมากหรือตกไปน้อยขึ้นอยู่กับว่าแกเก็บอารมณ์ชนิดใดเอาไว้อย่างคนที่ศึกษาสนใจธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมะวิตกคือความจกนึกของข อ, งข อ, งของก็จะเป็นกุศลธรรมตามปัจจัยที่เขาเก็บเอาไว้แต่ในทํานองตรงกันข้ามถ้าหากว่าไปเก็บพวกอารมณ์ที่น่าคลายน่าปรารถนาหน้าพอใจดังกล่าวไว้ ความสึกนึกของบุคคลก็จะออกมาในรูปของการวิตกุกคือสึกนึกไปด้วยอำนาจความใคร่ใคร่ในอะไรใคร่ในสิ่งที่ตนเคยเห็นมาด้วยตาเคยได้ยินมาด้วยหูเคยสูดดมมาด้วยจมูกเคยลิ้น ม, มาด้วยลิ้นเคยถูกต้องมาด้วยกาย <Okay. S 1> และใจก็เคยไปกาหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ก็สึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยความใคร่ถ้าหากว่ารึกนึกไปมากบางทีก็ไปเนี่ยเอาอาดีต ท, ที่ไกลๆบางคราวก็ไปขวยคว้าต่ออนาคตเช่นว่ามีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตทีดีๆจะถูกสลากกินแบ่งด้วยสลากอะไรเป็นต้นใจก็สายไปที่จะได้รางวัลเหล่านั้นจะได้ร่ำรวยมีการปรุงคิดมีการคิดปรุงกันไปด้วยประการต่างๆ ในขณะนั้นก็ถูกกิเลสประเภทอภิชาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้มันเกิดขึ้นครอบงำแต่ถ้าหากว่าเกิดผิดหวังคือไม่ได้ตามที่ใจปรารถนาความโท ม, มนัสก็จะบังเกิดขึ้นท่วมทับใจข้อนี้พึงสังเกตว่าความคิดที่กรอบด้วยกิเลสนั้นพอแก้แกว่งไปอีกทีมก็เป็นกิเลส แว่งไปอีกทีหนึ่งก็เป็นกิเลสอีกซึ่งบางคราวก็เป็นทุกข์บางคราวก็เป็นกิเลสแต่สรุปว่าไม่เป็นไปเพื่อความสวัสดีของบุคคลเรื่องราวต่างๆเป็นอันมากที่ลุกลามบานปลายไปใหญ่โตนั้นก็เริ่มมาจากความคิดที่กําหนดตรึกนึกไปในแง่ใดแง่หนึ่งโดยเฉพาะเช่นตึกนึกไปด้วยอํานาจของความอาฆาตพยาบาทไปบ่อย ก็มีการจองล่างจองผานกันเป็นต้นความสึกนึกที่เกิดขึ้นด้วยรูปของความปิตกคือสึกนึกด้วยความใคร่แล้วจะมองในแง่เดียวอยู่ตลอดเพราะหนักข้าว・หนักข้าวความบกพร่องอะไรต่างๆที่เคยมีไม่ได้คิดถึงมุ่งไปในแง่เดียวว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเท่านั้นเมื่อปริมาณของความปิตกสูงขึ้น จิตใจก็จะมีความเร้าร้อนมีอาการสายขาดความสงบจนเกิดอาการทะเยอทะยานอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งก็แสดงออกมาทางสายตาอย่างที่ว่ามาแล้วเกิดก่อตัวขึ้นภายในจิตใจแต่ว่าเกิดเบ่งบานขึ้นที่สายตาของบุคคลลักษณะส า, สายตาที่ประกอบด้วยความโกรธความโลภความริษยาเห็นได้ไง่าย เช่นเดียวกับสายตาที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาบุคคลเห็นได้ง่ายการที่จะเห็นได้นั้นแสดงว่าปริมาณของกิเลสและธรรมะเหล่านั้นต้องสูงถ้าไม่สูงจะไม่ออกมาทางสายตาบุคคลจะต้องกำหนดพิจารณาให้เห็นโทษว่าการทั้งหลายนั้นเกิดจากความด âm ริความจึกนึกนีน้เองอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะสรุปใหม่ ทรงพิจารณาเห็นกิเลสโดยตลอดอย่างละเอียดถี่ยิบแล้วทรงเปล่งอุทานขึ้นมาว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นตัวเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดํารดินี่เองตอนนี้ไปเราจักไม่ดํารดิถึงเจ้าอีกแล้วเจ้าจะครอบงำใจของเราไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงขจัดกิเลสสายนี้และสายอื่นออกไปด้วยประการทั้งปๆเป็นการนํากิเลสออกไปจากจิตโดยสิ้นเชิงซึ่งวิธีนํากิเลสออกทั้ง4วิธีอันพระพุทมีพระภาคเจ้าทรงแสดงไวน้นี้บุคคลใดปฏิบัติได้ไปตามสมควรแก่กรมีนั้นๆชื่อว่าเป็นผู้นิรภัยคือปราศจากภัย จะมีความสงบเย็นภายในจิตใจบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป